พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงพวกเราในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอนบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่17ความว่าเราเป็นเถาวงุนแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และคะแนงทุกคะแนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิศเพื่อให้ออกผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคําที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านคะแนนจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเท้าชั้นใดท่านทั้งหลาย ก็จะออกผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาอง่นท่านทั้งหลายเป็นขนานผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะออกผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าท่านถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้น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 ท่านก็เป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ย kind of ึดมั่นในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้ว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 เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทําอะไรแต่เราเรียกท่านทั้งหลายว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่า เมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในานามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกันเผยพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในหัวข้อดื่มด่ากับพระเยซูโดยาศาสนาจาร์ดเตอร์ศึกษาเทพอารีขอเรียนเชิญค่ะ หัวข้อนเช้าวันนี้นะครับถ้าแปลไปเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า i n t i m a c y i n t i m a c y แปลว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมนะครับหัวข้อนี้เวลาที่เราฟังแล้วนะครับเราคงจะมีความรู้สึกว่าอะไรนะดื่มด่ํากับพระเยซูเราจะมาดื่มอะไรกับพระเยซูคงไม่ใช่นะครับแต่ดื่มด่านี้ก็คือเป็นความหมายที่คนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีเพื่อนสนิทมากๆนะครับก็จะ ได้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะไปถึงเนื้อหานะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูคลิปนะครับของริศจักรของเราที่เราสร้างความดื่มดั่งให้กับคู่สมรสนะครับในคอสแมรี่ a g e ของ Alpha ซึ่งริศจักรของเราเนี่ยได้ทำมาถึง3รอบแล้วนะครับ จึงอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูว่าดื่มดั่มนี่ดื่มดั่มยังไงนะครับนะแต่ดื่มดั่มตรงนี้ครับเป็นดื่มดั่มที่อาจจะหลายหลคนก็อยากจะมีบ้างเหมือนกันเพราะว่าแต่งงานมาก็ระยะหนึ่งแล้วหรืออาจจะนานแล้วยังไม่ค่อยดื่มด่ําเหมือนกับสมัยก่อนนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูครับ มีพี่น้องอยู่หกคนด้วยกันหกท่านนะครับที่ได้ผ่านคอร์สนี้มาหลังจากที่ผ่านคอร์สนี้มาเห็นความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตคู่ของเขาเขาก็เลยถวายตัวที่จะดูแลและรับใช้พระเจ้าในกิจกรรมของ r r i ี่ส Course ของขึ้นจากพัฒนาของเรานี่คือสิ่งที่ทั้งหกท่านนะครับจัดเตรียมเองทาเองพัฒนาขึ้นมา พวกเขาก็ได้ทำการปรับปรุงห้องนะครับชั้น3อาคารพระอารพิธีกรมนะครับสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกให้กับผู้สมรส เห็นว่ามีผู้ใหญ่นะครับของเราผู้อุโสก็เข้าไปร่วมด้วยครับและท่านก็บอกกับผมว่าดีจริงๆรที่น้องของเรานะครับทำงานหนักเพื่อที่จะ นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกๆครอบครัวนะครับเรามีคู่มือแล้วก็มีวิดีโอวิดิทัศนะครับแล้วก็การให้คำปรึกษาหลายอย่างครับที่เกิดผลดี เชิญชวนพวกเรานะครับพี่น้องทั้ง6ท่านเชิญชวนพวกเราที่จะเข้าสู่คอสนี้ถ้าหากว่าท่านได้มีครอบครัวแต่งงานแล้วนะครับพี่น้องครับความดื่มดํานั้นก็คือคนที่เส้นสนมกันความดื่มดับนี้หมายถึงการที่เรามีความใกล้ชิดกับใครบางคนที่เราไว้วางใจเขาเช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงดื่มดํากับพระเจ้าหรือดื่มดํากับพระเยซู คนที่ดื่มด่ากับพระเยซูนั้นเขาจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงและกระทบกับชีวิตของเขาแน่นอนบุคคลที่เพิ่งจากเราไปนะครับที่ยิ่งใหญ่มากในศตวรรษที่20พี่น้องครับผมอยากจะให้ดูภาพนี้นะครับว่าท่านผูนี้เป็นใครผมเชื่อแน่ว่าท่ามกลางเราทั้งหลายมีหลายหลายท่านที่รู้จักนะครับเหตุการณ์นี้ที่ท่านจะเห็นต่อไปในภาพนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีที่กรุงโซนะครับขอภาพด้วยครับถ้าภาพยังไม่มานะครับผมขอไปที่คนที่จากเราไปที่มีความสำคัญก็คือว่าท่านบิลลี่เกรแฮมท่านบิลลี่เกรแฮมนั้นเป็นนักประกาศใหญ่ครับตับงภาพทางด้านขวานะครับ บนเนี่ยเป็นภาพของท่านแล้วก็ด้ดานซ้ายท่านก็ถ่ายภาพกับภรรยาของท่านท่านศาสนาอาจารย์เบรลิกแกรแฮมนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกศตรวรรษที่ี่สเป็นนักเทศนักประกาศที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกท่านเป็นนักประกาศที่มีมีหัวใจ ของพระเยซูมีจิตใจที่ดื่มด่ารักพระเยซูใกล้ชิดกับพระเยซูด้วยความดื่มด่ากับพระเจ้านี่เองทําให้ท่านนั้นถวายตัวออกมาเป็นนักเทศบุกเบิกการประกาศผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุมากมายและคําเทศนาของท่านนั้นได้เข้าไปถึงครัวเรือนของทุกครัวเรือนของชาวอเมริกันหลายล้านคนในเวลาประมาณ50ปีที่ท่านรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับท่านประกาศกับ คนมากมายนอกประเทศอีก185ประเทศและท่านยังเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐในทุกๆสมัยจริงๆแล้วคำว่าบิลลี่นั้นมาจากชื่อเต็มของท่านคือวิลเลียมแฟรงกินเกรแฮมจูเนียร์เป็นลูกของผู้ที่รักพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ทรงเรียกคนที่รับใช้พระเจ้าตั้งแต่ตอนที่เขาหนุ่มสาวครับ อาจารย์บิลลี่แกรแฮมนั้นก็ออกมารับแค้พระเจ้าตอนที่ท่านเป็นหนุ่มอยู่และการร้ทรงเรียกของพระเจ้านั้นก็มาถึงชีวิตของท่านและท่านไม่ปฏิเสธการทรงเรียกการทรงเรียกนั้นก็ได้เข้มข้นขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งท่านสามารถที่จะถวายชีวิตและด้วยความรักและความดื่มด่ํากับองค์พระวิญญาณนั้นทําให้ชีวิตของท่านาศาสตราจารย์บิลลี่แกรแฮมนั้นได้ส่งผลกระทบทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงโซ1973ครับมีคนมาร่วมฟังพระกิยคุณของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นถึง 1.1 ล้านคนและท่านจัดแคมเปญนะครับ5วันด้วยกันมีคนได้รับฟังพระเกีติคุณถึงอย่างน้อย3มากกว่า3ล้านคนที่ประเทศเกาหลีเมื่อ1973และท่านได้กล่าวคาที่น่าคิดครับขอภาพตัดไปครับ คำพูดของท่านซึ่งเตือนสติพวกเราทั้งหลายมีมากมายทีเดียวถ้าพี่น้องคลิกเข้าไปในดู Google นะครับเราจะเห็นว่ามีคำคมข้อคิดต่างๆมากมายข้อคิดแรกที่ผมอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องก็คือ suppose you could gain everything in the whole world and lost your soul was h it worth it ถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกและ สูญเสียจิตวิญญาณของตัวเองไปนั้นจะมีความหมายอะไรท่านโค้ดคำพูดของพระเยซูถ้าผู้ใดได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกและสูญเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรภาพต่อไปครับ When wealth is lost nothing is lost หมายความว่าถ้าเราความมั่งคั่งเนี่ยหายไปจากชีวิตของเรานะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหายมากหรอกแต่ When health is lost Something is lost เมื่อสุขภาพของเราเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วมันมีอะไรหายไปนะครับแต่ when character is lost all is lost ถ้าหากว่าเราสูญเสียความเป็นตัวตนของเราหรือบุคลิกภาพของเราหรือตัวตนข้างในของเราถ้าเราหายไปหรือเสียไปนี่นะครับทุกอย่างมันหายไปหมดเมื่อสักครู่นี้นะครับขณะนักร้องเนี่ยร้องเพลงมีความหมายมากเลยคือพระเยซูนั้นอยู่ในเราทั้งหลาย เป็น all in all ของชีวิตของพวกเราพี่น้องครับการที่เราจะมีความดื่มด่ากับพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคริสเตียนนั้นควรจะสแสวงหาการดื่มด่าจากพระเจ้าเป็นที่สุดเพราะว่าพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่สิบห้านั้นทําให้เรารู้ว่าเมื่อเราอยู่และติดกับเทวะโงนเมื่อไหร่นะครับเราจะมีความดื่มด่ากับพระเจ้าเราจะมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างแน่นอน ปีนองครับในความสัมพันธ์ในการดําเนินชีวิตกับพระเยซูนั้นมีอยู่สามประการครับพื้นฐานสาประการนี้ที่จะทําให้เราเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดื่มด่ากับพระเยซูประการแรกก็คือสร้างนิสัยสารภาพบาปการสร้างนิสัยสารภาพบาปนั้นเป็นพื้นฐานการพัฒนาความสัมพันธ์ความดื่มด่ากับพระเยซูพวกเราทุกคนนะครับพระเงมพีสอนเราว่าเราสามารถอธิษฐาน สารภาพบาปกับพระเจ้าขอการอภัยโทษจากพระเจ้าได้ทุกเวลาบางครั้งหลายๆคนนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการที่บอกว่าเออเวลาเราทําบาปแล้วก็รีบสารภาพซะมันก็หมดเรื่องหมดราวแท้จริงแล้วนในพระเจนะของพระเจ้าได้ให้ความมั่นใจในด้านนี้แต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ท่านจะได้รับการอภัยโทษบาป พ, พี่น้องครับผมอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องได้อ่านในยอห์นบทที่15ข้อที่3พร้อมกันนะครับ ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูนั้นได้ให้พระคัมภีร์ได้ให้พระบัญญัติได้ให้พระเจชนะของพระเจ้าให้กับเราเพื่อที่เราจะได้พิจารณาไต่ตองตามพระเจานั้นและกลับใจเสียใหม่และผมอยากจะบอกครับว่าเมื่อเราสารภาพบาปของเรานั้นมันจะต้องรวมถึงการกลับใจเสียใหม่ทุกครั้งนะครับ ไม่ใช่ว่าสารภาพแล้วก็จบกันแต่ไม่มีท่าทีของการกลับใจใหม่ไม่มีท่าทีของการเสียใจว่าเราเราสารภาพบาปขอพระเจ้ายกโทษแต่เราก็ยังทำชีวิตเหมือนเดิมอันนี้ถามว่าจะได้รับการอภัยไหมไม่ได้ครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวที่เวลาเราขออภัยพี่น้องของเราคนอื่นๆ น, นะครับเราจะต้องมีท่าทีในใจของการกลับใจใหม่ แล่ถ้าทีนี้เองจะสําดงออกมาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภาษาอังกฤษใช้คาว่า transform ก็คือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองครับพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดของการได้รับการอาภัยอย่างแท้จริงพระอัมภี์ในพระธรรมยงยอนบทที่1ข้อที่9นะครับได้พูดถึงว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชาระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ข้อข้อนี้นะครับเด็กๆและวีนทุกคนเขาจะท่องได้ถ้าเราสารภาพบาปของเราคําว่าสารภาพบาปตรงนี้นะครับก็คือรวมไปถึงการกลับใจเสียใหม่ด้วยหลายคนบอกว่าเออคริเสเตียนนี่ดีนะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปล้างบาปก็ไปชําระบาปได้แต่ถามว่าเราจะได้รับการชําระบาปเมื่อไหร่ก็คือต่อเมื่อเรา กลับใจเสียใหม่แล้วตั้งใจและแสดงออกถึงท่าทีที่อยู่ข้างในเราในการที่เราจะขอการอภัยโทษจากพระเจ้าคือการกลับใจใหม่ตั้งตัวใหม่ตัดสินใจที่จะดําเนินชีวิตแบบใหม่ไม่ใช่แค่พูดว่าโอ้พระเจ้าขออภัยโทษด้วยแต่ต้องพูดในใจมันเป็นการสํานึกความผิดความบาปของเราจากจิตใจของเราที่เรารู้ว่าความบาปเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นการกระทําผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า มันเป็นการกระทําที่คนที่สารภาพเขาจะต้องตระหนักว่าบาปของเขาเนี่ยเป็นบาปหนึ่งที่ตอกตะปูที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูด้วยเหมือนกันนั่นคือความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่เราทําแล้วพระเยซูได้รับมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาที่เราอยู่ดีแล้วก็สารภาพโดยที่เราไม่รู้ความหมายตรงนี้พี่น้องครับทุกครั้งที่เราสารภาพบาปกับใจใหม่นะครับบาปที่เราทําอยู่เนี่ยถูกตอกไว้ถูกตรึงไว้ กับพระเยซูมันเป็นความเจ็บปวดของพระเยซูที่รวมกันอยู่ตรงนั้นเพราะความบาปของเราเพราะเจนะของพระเจ้าในลูกาบทที่18ได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ซึ่งเป็นคนบาปเถิดนั่นคือการขอความเมตต า, า, าจากเป็นเสียงร้องของคนเก็บภาษีนะครับคนเก็บภาษีนั้นบอกกับเราชัดเจนเลยว่าเขารู้ตัวเขาทําบาปเขารู้ตัวว่าเขาทบาบําสิ่งที่ไม่สมควรเขารู้ตัวว่าเขาทําสิ่งที่ไม่พอพระทัยพระเจ้า แล้เมื่อเขารู้ตัวอย่างนั้นนะครับเขาสารภาพบาปด้วยความรู้สึกเสียใจที่อยู่ข้างในแล้วเขาจะดําเนินชีวิตแบบที่ซักเคียสนะครับซึ่งทําก็คือเขาโกงคนอื่นมาเท่าไหร่เขายินดีที่จะใช้คืนสีเท่านั่นคือการสารภาพบาปที่แท้จริงมันรวมไปถึงการกลับใจใหม่พี่น้องครับเราจะต้องมีอุปนิสัยของการกลับใจใหม่นะครับการกลับใจใหม่เสมอเราต้องมีอุปนิสัยของการสารภาพบาป ที่รวมถึงการกลับใจใหม่เสมอในการที่เราจะสเต็ปแรกคือการสร้างความดึงดํากับพระเจ้าพร้อมที่จะกลับใจใหม่ตลอดเวลาเมื่อได้ยินได้ฟังคำเตือนสติเมื่อได้ยินได้ฟังพจนานะของพระเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสอยู่ในชีวิตของเราเมื่อไหรก็ตามที่เราได้ยินนั่นแหละครับความถ่อมใจการเชื่อฟังเกิดขึ้นการ ขอไถ่โทษบาปเกิดขึ้นการสารภาพบาปเกิดขึ้นท่าทีการกลับใจใหม่เกิดขึ้นนั่นเป็นประการแรกที่เราจะมั่นใจได้ว่าเรามีความดื่มด่าและสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าประการที่สองครับพึ่งพีบอกว่าเราจะต้องติดสนิทอยู่กับเถาวพระเยซูกล่าวว่าเราเป็นเถาวงุนท่านังหลายเป็นแขนงใครก็ตามที่อยากจะเกิดผลมากนั่นหมายความว่าเขาจะต้องติดอยู่กับเถา พระเจนะของพระเจ้านะครับได้พูดถึงว่าเราจะต้องฝังการสื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยต้องชัดเจนแล้วเราจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าตรัสจะตรัสผ่านช่องทางที่ยิ่งใหญ่มากก็คือช่องทางที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระคมภีรทุกวันนี้คนบางกลุ่มนั้นก็พยายามนะครับหาประสบการณ์เหนือธรรมชาติพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเนี่ย ก็ต้องไปเข้าคอร์สฝึกเราจะทํายังไงได้ยินเสียงของพระเจ้าถามว่าดีไหมดีครับเพราะว่าคอร์สเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยนิ่งสงบอธิษฐานทูลขอแต่พระเจนะของพระเจ้านั้นพระกัมภีร์พูดชัดจะมาทางไหนครับพี่น้องครับในพระธรรมสองเปย์ตัวบทที่หนึ่งข้อสิบเกนะครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้านะผมอยากให้ฟังนะครับเรามีคําพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดี ถ้าทั้งหลายจะถือตามคำนั้นเพราะคำนั้นเป็นเหมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอารุณ์จะขึ้นและดาวประจารุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายพี่น้องครับตรงนี้เขาบอกว่ามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นในสมัยของไปโตที่ท่านเขียนไว้คืออะไรครับคือพระคมพีใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นตามมานั่นแหละครับคือพระวจนะของพระเจ้าคําพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านี้คือพระกภีร์ใหม่เพราะฉะนั้นพระกภีร์ที่เราได้ยินเสียงของพระเจ้าจะตรัสกับเราพระกภีร์เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดที่เราจะได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับเราเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาสู่ชั้นเรียนพระกภีร์เมื่อเราเข้ามาสู่ชั้นเรียนละวีวัลกษาเมื่อเราเข้ามาสู่ชั้นสัมมาณาอบรมพระเจ้าจะตรัส ผ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านผู้ที่มีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณนั้นให้เราเข้าใจได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะต้องตั้งใจฟังด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่หยุดและด้วยความถ่อมใจพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งทําให้เรามั่นใจ2ทิโมธีบทที่3ข้อ 16-17 หลายท่านท่องได้นะครับก่อนที่จะรับบัพติศมานะครับหลายท่านท่องได้พระกัมพีทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนได้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำดีทุกอย่างกระทำการดีทุกอย่างพี่น้องครับพราะว่าจนานะพระเจ้านั้นเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเป็นเรียกว่าเป็นช่องทางหรือเมนเอนทรานซ์นะครับที่เราจะเข้าไปถึงการได้ยินเสียงของพระเจ้า โดยทางพระวจนะของพระเจ้าพระองคพี่บอกว่าพระเจ้าได้ทรงดลใจคําว่าดลใจนั้นภาษาเดิมแปลว่าระบายลมหายใจระบายลมหายใจลมหายใจนั้นมีความหมายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะใช้พระวจนะของพระเจ้าที่จะให้เรามั่นใจว่านี่คือเสียงของพระองค์เราจะได้ยินเสียงตรัสของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและเราจะกลายเป็นคนที่ ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมในการทําการดีทุกอย่างพี่น้องครับเมื่อเราตั้งใจในการที่จะแสวงหาได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระคัมพีร์นั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพระวิญญาณจะใช้พวิญันณาของพระเจ้าร่วมกันนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนใหม่ครับได้รับการเปลี่ยนใหม่ซึ่งการเปลี่ยนนี้มันเกิดจากข้างในมันเกิดจากข้างในเหมือนที่ไม่การเปลี่ยนข้างนอก เพราะการเปลี่ยนข้างนอกนั้นอาจจะเป็นของปลอมอาจจะเป็นสิ่งที่ชั่วคราวอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแต่การเปลี่ยนที่ยั่งยืนนั้นเป็นการเปลี่ยนจากข้างในเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้พระวิญาณของพระเจ้าในการที่จะเปลี่ยนแปลงเราจากข้างในเราถึงจะมีความดื่มด่ากับพระเจ้าได้ประการต่อไปครับการที่เราจะติดสนิทยอยู่กับเถานั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการคอมมินิเคชันเราต้องมีการสื่อสารที่ดีกับพระเจ้าถึงจะได้รู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไง นะครับอันที่สองก็คืออธิษฐานเมื่อเราฟังนะครับเราก็พูดกับพระเจ้าถ้าการอ่านพระคัมภีร์นั้นเป็นการฟังพระเจ้าการพูดกับพระเจ้าก็สำเร็จด้วยการอธิษฐานเพราะฉะนั้นการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารสองทางหลายๆครั้งทีเดียวนะครับเราเวลาอธิษฐานนั้นล้วก็อธิษฐานแบบแบบอาจจะไม่รู้ว่าพระ อ, องค์ฟังอยู่นะ เราอธิษฐานบางท่านอาจจะเป็นสวดบทสวดนะสวดมน่ะอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ไม่ใช่ครับการอธิษฐานนั้นเป็นการพูดกับพระเจ้าเป็นการระบายความรู้สึกเป็นการระบายความคิดเป็นการที่จะทําให้เรานั้นรู้ว่ามีคนฟังจริงๆและผู้ที่ฟังเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดครับและจากตรงนี้นี่เองทําให้เราสามารถที่อธิษฐานทุกๆเรื่องได้เราอาจจะไม่สามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆในทุกเรื่องได้แต่ว่าเราสามารถพูดคุยกับพระบิดาของเรา ทุกๆเรื่องได้แลนนี่คือสิ่งที่พระบิดาของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เข้าใจเราทั้งหลายพระเยซูที่เราอธิษฐานด้วยนั้นเป็นพระเยซูที่เข้าใจความรู้สึกของเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ร้0เปอรเนเหมือนเราทั้งหลายเช่นเดียวกันและด้วยเหตุนี้ทำให้เรามีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้สูงสุดในขณะเดียวกันเป็นพระเจ้าที่เข้าใจความรู้สึกของเรา ห่วงใยและรักหลายเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถละความกระวนกระวายของเราอยู่กับพระองค์ได้พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูเราเห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับที่อยู่ที่นี่คําอธิษฐานของพระเยซูนั้นที่เราอธิษฐานกันอยู่ทุกๆุกสัปตา์สามารถแบ่งไปได้เป็นสองภาคนะครับภาคแรกก็คือภาคที่เป็นการเกี่ยวกับพระเจ้านะครับโดยคําอธิษฐานนี้ ขอให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะอันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งครับขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เป็นประการที่สองขอให้เป็นไปตามพัทธัยของพระองค์เป็นประการที่สทั้งสามประการแรกนี่นะครับที่ผมอ่านให้ฟังนี่นะครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และขอให้เป็นไปตามพรัทัยของพระองค์นี่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเกี่ยวข้องกับพระเจ้านี่เป็นภาคของพระเจ้านะครับเราขอให้พระเจ้าเป็นอย่างนี้ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นอย่างนี้ขอให้น้ำพรทัยของพระองค์ได้สําเร็จนั้นคือเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแต่อีกสามประการที่หลังนะครับสี่ห้าเนี่ยที่พี่น้องจะเห็นมันเกี่ยวข้องกับเราพระอภีบอกว่าพระเยซูสอนอย่างนี้ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่มีบาปข้าพระองค์นั้นและอย่างครับขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง หกประการของคําอธิษฐานที่พระเยซูสอนเราสามประการแรกคือขอให้สิ่งที่พระเจ้าต้องการสําเร็จขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้แนานา ม, ม, ม่น้ำของพระองค์มีที่เขาลูกรกระแต่อีกสาประการนั้นขอเพื่อเราทั้งหลาย mm hmm. พี่น้องครับคําอธิษฐานของพระเยซูนั้นสมบูรณ์แบบมากเมื่อเราต้องการจะพูดกับพระองค์อย่างที่พระองค์อยากจะให้เราคุยกับพระองค์ขออะไรครับ ขออย่านําข้าวโพงเข้าบริการทดลองพ้นจากซึ่งชั่วร้ายขออาหารประจําวันซึ่งบำรุงเลี้ยงร่างกายฝ่ายโลกของเราขอยกบาปผิดก็คือการที่เราจะได้มีโอกาสติดสนิท ก, กับเถาอีกครั้งหนึง่งติดสนิท ก, กับพระเยซูอีกครั้งหนึง่งกับคืนสู่ความดื่มด่ากับโรกอีกครั้งหนึง่งพี่น้องครับประการนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราไม่ติดกับเถา ชีวิตของเราก็ไร้ค่าชีวิตของเราไม่มีความหมายเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการเราไม่ได้เกิดผลมากตามที่พระองค์ต้องการกลับไปนะครับอยู่กับพระเจ้าถวายรายงานพระองค์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใ ช, อนนใช่อันนี้เป็นไม้แห้งฟางอันนี้เป็นทองเป็นเพชรเป็นสิ่งที่มีค่าอะไรครับ ใีทนที่สุดแล้วมันจะมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าเราไม่ติดสนิท ก, กับพระเยซูถ้าเราไม่ใกล้ชิดไม่ได้มีความดื่มด่ากับพระเยซูหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำในโลกนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าบนสวรรค์สําหรับบางคนพระเจ้าอาจจะบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยก็ได้นะนี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ พระองค์บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าจงถอยออกไปจากหน้าของเราเราไม่มีความรู้จักกับพระเยซูเท่าที่เราควรจะรู้จักเราไม่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเยซูเท่าที่พระองค์อยากจะให้เราเป็นประการสุดท้ายครับการที่เราจะมีความดื่มด่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเราจะต้องมีชีวิตแห่งการเชื่อฟัง ชีวิตแห่งการเชื่อฟังนั้นอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบมันเป็นเรื่องที่อยู่ข้างในมันไม่เป็นการเสแสร้งที่ว่าฉันจะฉันแสดงให้คนอื่นเห็นว่าฉันเชื่อฟังนะไม่ใช่ครับชีวิตของผู้ที่เชื่อฟังนั้นมันเกิดจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดและรู้ว่าคนที่เราไว้วางใจท่านผู้นี้แหละเป็นผู้ที่ฉันไว้วางใจได้ฉันเชื่อฟังได้ทุกอย่าง ถามว่าโลกนี้จะมีใครที่เราจะเชื่อฟังเขาทุกอย่างไหมครับไม่มีแต่ว่าเรามีผู้หนึ่งก็คือพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้และท่านจะทําให้เราอยู่ในโหมดของการเชื่อฟังทุกอย่างครับหลายคนบอกว่าฉันอยากจะเชื่อฟังเหมือนกันแต่ฉันเลือกที่จะเชื่อฟังบางอย่างได้ไหมบางอย่างที่ฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่เชื่อคําตอบคือไม่ได้ถ้าเราจะเชื่อ ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเราถ้าเราจะดื่มด่ากับพระเยซูไม่ใช่เป็นการต่อรองว่าเราจะเชื่อฟังบางอย่างเราจะเชื่อฟังสักแปดเซได้ไหมแต่เราต้องมีท่าทีในใจว่าเราอยากจะเชื่อฟังร้อยเซนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราอยากจะเชื่อฟังร้อยเซนตในการที่เราจะมีท่าทีที่อยากจะเชื่อฟังพระเยซูร้อยเซนตนี่คือความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าที่ถูกสร้างจากชีวิตแห่งการเชื่อฟังพี่น้องครับ หากเรามีความตั้งใจมีท่าทีแบบนี้นะครับท่านจะสังเกตนะครับว่าชีวิตของท่านเนี่ยจะไม่มีการปฏิเสธว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยฉันไม่เห็นด้วยอย่าง น, นี้เนี่ยมันไม่ใช่นะอย่างนี้ี่มันไม่ใช่ตัวเรานะแต่ว่าคนที่มีท่าทีแห่งการเชื่อฟังเนี่ยเขาจะพิจารณาตัวเองตลอดเวลาว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้ฉันทําอย่างนี้หรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้ฉันพูดอย่างนี้หรือเปล่าพระเจ้าต้องการพระเยซูต้องการให้เราทําอะไรถามพระเยซูได้ครับ ตอนักธิษฐานแล้วมีชีวิตที่เชื่อฟังเมื่อพระเยซูพูดผมอยากจะบอกพี่น้องครับหลายคนนะครับเวลาที่ต้องการเข้ามาหาพระเยซูแล้วเนี่ยพระเยซูไม่บอกไม่พูดเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีท่าเทียงการจิตจิตใจที่เชื่อฟังพระเยซูพูดเข้าไปเขาไม่ฟังหลักฐานตรงนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ชัดเจนตอนที่ลาสลัสนะครับเศรษฐีจําได้มั้ยครับพี่น้องครับอยู่ในลูกลาบที่สิบหกลาสลาสกับเศรษฐีเนี่ยเข้าทั้งสองคนตายไป เศรษฐีไปอยู่ที่บึงไฟลาซ ล, ลัสไปอยู่กับอ้อม อ, อกของอับราฮัมเศรษฐีก็ขออับราฮัมบอกว่าขอให้ลาซรัสเนี่ยฟื้นจากความตายนะไปบอกกับพี่น้องที่เขาอยู่ในโลกเผื่อพี่น้องเนี่ยจะได้กลับใจใหม่จะได้ไม่ต้องมาตกละกรรมลำบากแบบข้าพเจ้าอย่างนี้ปรากฏว่าอับราฮัมพูดว่าไงครับบนโลกเนี่ยมีพื้นผุผลพรนะแล้วมีนักเทศแล้วมีพระคํำของพระเจ้าแล้วนะถ้าเขาไม่เชื่อนะคุณให้คน ฝืนจากความตายไปบอกเขาเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะใจมันปิดใจเขาไม่มีความเชื่อฟังอยู่ตรงนั้นนี่คือสิ่งที่น่าอันตรายมากสําหรับคริสเตียนบางคนที่ใจปิดครับเมื่อเขาได้ยินเสียงของพระเจ้านี่ยนะครับเมื่อเขาปิดใจปิดใจปิดใจเรื่อยๆรื่อๆืๆ่อ ๆ, ๆเนี่ยเสียงของพระเจ้าก็มาไม่ถึงเขาเสียงของพระเจ้าจะมาไม่ถึงเขาเพราะว่าอะไรครับไม่มีประโยชน์ที่เขาจะได้ยินเสียงพระเจ้าอีกแล้ว พี่น้องครับท่าทีแห่งการเชื่อฟังนั้นสําคัญมากในยอห์นบทที่14บสข้อยีบอกว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคําของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดาจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูจะมาหาคนที่อะไรครับคนที่รักและประพฤติตามท่าทีแห่งการเชื่อฟังนี้เกิดขึ้นถ้าเรามีท่าทีแห่งการเชื่อฟังเราจะเข้าสู่ การสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเราจะเช่าสู่ความดื่มด่ากับพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูจะอยู่กับเราโอ้เป็นความชื่นใจมากเมื่อพระเยซูและพระเจ้าพระบิดาจะอยู่กับเราจะมีความสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดกับพระองค์และพี่น้องหากมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับพี่น้องจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมครับมันไม่เหมือนเดิมจริงเวลาที่เรา นั้นคิดถึงพระเยซูเราอยู่ใกล้พระเยซูเราดื่มดนำกับพระเยซูเรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูพี่น้องครับชีวิตของเราจะได้การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเราจะมีความรู้สึกเลยในใจว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจึงอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าเนี่ยยากอบทที่4ี่ข้อเจและข้อที่แปนะครับผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับเหตุฉะนั้นทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมานและมันจะหนีท่านไป ท่างหลายจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะเส ด, ด็จมาใกล้ท่านคำว่าและพระองค์จะเส ด, ด็จมาใกล้ท่านนั้นมีความหมายว่าพระเยซูรออยู่แล้วครับพี่น้องเพียงแต่เราจะยื่นมือไปหาพระองค์เพียงแต่เราจะเดินเข้าไปสู่ความดื่มด่ำกับพระเยซูพี่น้องครับเมื่อเราเริ่มนะครับดื่มด่ำกับพระเยซูแน่นอนครับสิ่งที่พระเยซูสัญญาไว้คือว่าพระเจ้าจะเส ด, ด็จมาใกล้ท่านและเข้าสัมพันธ์สนิทกับท่านอย่างแน่นอน พระญาติของพระเจ้าต่อไปนะครับในพระธรรมยากอบบทที่4ี่ข้อที่7ข้อที่แคนบาปทั้งหลายเอย๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสงใจจงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ผมขอย้าเน้นอีกครั้งนะครับเวลาที่เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าพี่นองครับหลายท่านเนี่ยนะครับผมบอกเรียนตรงๆว่ามาไม่ทันมาไม่ทันอะไรครับมาไม่ทันอธิษฐานส่วนตัวและสารภาพบาปผิดในใจมาไม่ทันเพราะอะไรครับ ท่านจะพลาดโอกาสที่สำคัญมากหลายครั้งทีเดียวเราฟังพเราฟังพ่อเจ้าแล้วมันไม่เข้าอยู่ในใจครับนะมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะอะไรครับเพราะว่าใจของเรานั้นยังไม่สะอาดมันมีบางเสียงบางอย่างที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าและเมื่อจิตใจ้งเราเนี้ยสะอาดนะครับท่าเทียงการเชื่อฟังจะเกิดขึ้นและนั่นแหละครับ การฟังคําเทศนาการเรียนพระคัมภีร์ในทุกๆช็อตทุกๆ ช, ชั้นนะครับจะเกิดประโยชน์เพราะว่าถ้าเรามีท่าทีแห่งการชําระใจของเราชําระมือของเราให้สะอาดโดยการสารภาพบาปอย่างถูกต้องท่าเทียงการกลับใจหม่ที่อยู่ในเราทั้งหลายพี่น้องครับเมื่อเรามีท่าทีแบบเนี้ยเราจะสัมผัสถึงความใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ทันทีครับเราจะสัมผัสและเราจะมีชีวิตแห่งการเชื่อฟังต่อไปนี้พระองค์เจ้าข้าพระองค์อยากจะให้ ข้าพระองค์ทําอะไรครับองค์พร้อมที่จะทําทุกอย่างเลยขอพระเจ้าพูดเถอะขอพระเจ้าบอกเถอะขอพระเจ้าแสดงให้เราเห็นเถอะพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมนะครับอาจารย์เปาโลสอนให้เรารู้ว่าการเชื่อฟังของเรานั้นจะกลายเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่หนึ่งผมอยากจะให้พี่น้องอ่านพร้อมกันดีไหมครับนะครับพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุ น, นี้โดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าซึ่งเป็นการนัสศการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายพี่น้องครับเวลาที่เรามานับการพระเจ้าใช่ไหมครับเราบอกว่านับศึการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณคําตอบอยู่ตรงนี้ครับบรรทัดสุดท้ายครับการนัสการโดยจิตวิญญาณของเราทั้งหลายคือการอะไรครับถวายตัวการที่เราจะเข้ามา ถวายตัวพี่น้องครับโตะนี้นะครับเป็นโต้ที่เรียกว่าเป็นอัลท่าเป็นเป็นแท่นบูชาในสมัยของพระกัมพีเดิมนะครับอัลท่านี้เป็นที่ที่มหาปุโรหิตเนี่ยเขาจะต้องไปทําการถวายบูชาการถวายบูชาเขาต้องนําสัตว์เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ฆ่าสัตว์นั้นแล้วก็เผาบูชาถวายพระเจ้ามีขั้นตอนเยอะแยะมากมายที่เราพบในพระธรรมเลวีนิตินะครับแต่ว่าหลักการของการถวายบูชาก็คือว่าจะต้องมีชีวิตหนึ่งที่ตายไป เพื่อที่จะให้เกิดการยกโทษบาปอีกชีวิตหนึ่งไม่ต้องตายเพราะมีชีวิตหนึ่งที่ตายไปแล้วและตายแทนหลักการของการตายแทนก็คือว่าพระเยซูเป็นผู้ที่อยู่ตรงนี้และพระเยซูทรงชิ้นพระชนแทนเราทั้งหลายและการยกบาปถึงเกิดขึ้นการคืนดีถึงเกิดขึ้นความรอดถึงเกิดขึ้นมาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะถวายตัวอยู่บนแท่นบูชานี้ก็คือการที่เรากําลังนมัสการเพราะว่า การนมสการที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยกบาปให้อภัยบาปเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าจะกลับมาย้ำเน้นนะครับว่าพี่น้องอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานสา ร, รภาพบาปส่วนตัวในใจทุกครั้งที่เรามาบสถ์ทุกครั้งที่เรามานสัสการพระเจ้าทุกครั้งที่เราอธิษฐานเฝ้าเดียว ก, กับพระเจ้าขอการชำระที่มาจากพระเจ้าขอท่าทีแห่งการเชื่อฟังกับใจใหม่ให้เกิดขึ้นทุกๆครั้งพี่น้องครับ การถวายตัวของท่านแดบพระองค์เป็นคําตอบของการนับพรสการด้วยจิตวิญญาณที่เยซูเรียกร้องเราเราต้องจํานะครับว่าการเตือนสอนตามพระคัมภร์ทุกข้อให้เราเชื่อฟังนั้นเป็นสิ่งที่เราแสดงการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าที่เราได้รับความรอดเราไม่ได้หาวิธีที่จะได้รับความรอดโดยการเชื่อฟังแต่การเชื่อฟังเป็นการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าสําหรับคนที่ได้รับความรอดแล้ว เพราะฉะนั้นการทําดีทั้งหลายไม่ใช่เป็นการทําดีที่ให้เรารอดนะครับแต่สําหรับคนที่รอดแล้วเขาแสวงหาการเชื่อฟังเขาแสวงการทําดีแสวงหาการทําตามน้ำพระทยัยพระเจ้าเพื่อเขาแสดงว่านี่คือหลักฐานหลักฐานแห่งความรอดที่ข้าพเจ้ามีอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับโดยการสารภาพความบาปโดยการที่เราสื่อสารกับพระเจ้าโดยการที่เรามีชีวิตแห่งการเชื่อฟังเราจึงจะสามารถ จะมีความดื่มด่ำกับพระเจ้าได้หลายครั้งทีเดียวนะครับคนที่บอกว่าเนี่ยผมสนิทกับคนนี้มากมากเลยนะครับแต่ไม่เคยใช้เวลากับเขาเลยถามว่ามันเป็นความสนิทแบบไหนครับเป็นความสนิทในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าผมมีเวลาคุยกับเขาผมมีเวลาได้ยินได้ฟังเสียงของเขานั่นแหละคือสนิทสนมที่แท้จริงพี่น้องครับในขณะที่เราอธิษฐาน ในการที่เราอ่านพระคัมภีร์เราได้ยินเสียงพระเจ้าเราได้พูดคุยกับพระเจ้าด้วยท่าทีแห่งการเชื่อฟังด้วยการกําจัดอุปสรรคในการที่เราจะเข้าหาพระเจ้าก็คือสารภาพบาปนะครับความบาปเป็นอุปสรรคแน่นอนสารภาพแล้วกลับใจใหม่แล้วมีท่าทีที่เชื่อฟังพระเยซูพี่น้องครับนั่นแหละครับทําให้เกิดการเชื่อฟังที่แท้จริงเกิดขึ้นการสัมพันธ์สนิทที่แท้จริงเกิดขึ้นพี่น้องครับ ฟิลิปปีบทที่สข้อที่8เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรามีความสัมพันธ์ดื่มด่ากับพระเยซูท่านอาจารย์ปอลนะครับได้มีประสบการณ์กับพระเยซูในเรื่องของความรักดื่มด่ากับพระเยซูความสัมพันธ์สนิท ก, กับพระเยซูจนท่านเขียนพระกัมภีร์ข้อนี้บอที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไรประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซู พระคริสต์องค์พระบุพเนเจ้าของข้าพเจ้าสิ่งสารพัดเนี่ยไรประโยชน์ไปเลยเมื่อคุณดื่มด่ำกับพระเจ้าเมื่อคุณเข้าสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าสิ่งสารพัดเนี่ยมันไม่มีค่าไปแล้วนะครับท่านเขียนต่อไปครับเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อสิ่งที่เคยมีคุณประโยชน์สิ่งที่มีค่าในสายตาของผมของดิฉัน ในอดีตนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไปหมดเราจะเข้าไปถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงครับถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์ไม่ได้ติดสนิทกับพระเยซูไม่มีความดื่มด่ากับพระเยซูมองไม่เห็นจุดนี้ไม่มีทางเห็นจุดนี้ได้เลยเราจะไม่มีทางเข้าสู่ผมใช้คาว่าหมดหมดของการที่เราจะเห็นจุดนี้ได้เลยมองสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าวเจ้าจะได้พระคริสต์ตรงนี้นะครับ ในบรรดาพวกนักวิชาการบอกว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์มาครอบครองเพื่อพระคริสต์จะเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมด You ่ไม่เ l l อินอนนี่แหละครับคือพระคริสต์จะเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมดเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระคัมีบอกว่าในที่สุดแล้วคนคนนี้นะฮะเขาจะได้พระคริสต์ลด้ได้ปรากฏอยู่ใน ค, คนเป็นนั้นมากจะเห็นว่าคนคนนี้เหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวั น, วนย้อนบทที่15บห้าก็กครับผมอยากจะสรุปในช้าวันนี้พระบิดาบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน และสิ่งที่เราสั่งท่านไว้ก็คือท่านจงรักกันและกันเป็น้อครับคนที่เข้าใกล้ติดสนิทกับพระเยซูขออะไรก็จะได้อย่างนั้นพี่น้องเชื่อไหมครับถ้าเชื่อบอกอาเมนพร้อมๆกันนะครับอาเมนคนที่เข้าใกล้พระเยซูคนที่รู้จักพระเยซูคนที่สัมพันธ์สนิทกับพระเยซูเขาดื่มด่ากับพระเยซูพูดคุยกับพระเยซูทุกวันเขารู้ว่าพระเยซูคิดยังไงพเขารู้ว่าพระเยซูต้องการอะไรและเขารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกับพระเยซูไหม พี่น้องครับเมื่อตราบใดที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการไม่เหมือนกับพระเยซูเราก็ไม่ขอครับเพราะว่าพระองค์ไม่ให้แต่ถ้าเราใกล้ชิดกับพระเยซูทุกอย่างที่เราขอเรารู้ว่าพระเยซูจะให้เราเรารขอปุ๊บเนี่ยได้ทันทีครับนั่นนะครับคือสิ่งที่เป็นความหมายของพระวข้อนี้มองเอ๊ะทำไมเราขอพระเยซูแล้วไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่รู้จักหัวใจของพระเยซูเท่าที่ควรเรายังไม่รู้น้ำพระทัยของพระองค์เท่าที่ควรเลยไม่รู้ว่าพระองค์ต้องการอะไร จริงๆเราอธิษฐานแล้วถึงไม่ได้สิ่งที่เราสั่งท่านหลายไว้คือจงรักกันและกันพี่น้องครับนั่นคือคำอธิษฐานสุดท้ายของพวกเราก็คือว่ า, าอยากจะให้รักกันและกันอนธิษฐานกับพระเยซูพระเยซูประทานให้กับเราแน่นอนเพราะนี่คือน้ามัทไทยสูงสุดของพระเยซูครับถ้าเราปรารถนาที่จะให้เรารักพระองค์มากยิ่งขึ้น เราปรารถนาที่จะทำตามพระองค์มากยิ่งขึ้นเราปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระองค์มากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเราเข้าใกล้สนิทกับพระองค์ได้ตลอดเวลาครับสารภาพบาปของเราครับนะครับสารภาพบาปของเราประการแรกเลยท่าเทียงกันกับใจนะครับสื่อสารกับพระองค์พูดกับพระองค์ฟังพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์และมีท่าเทียงกันกับใจใหม่พี่น้องครับทั้ง3ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่เราจะเพิ่มความดื่มดํากับพระเยซู พระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เราจะดื่มดากับพระเยซูจริงๆอาเมน